Book 2หกสิบเก้านีต้องการอยากหนูอยากตีฉันต้องการเตียงออ ดิฉันอยากนอน I w a n s l e p ที่นี่มีเตียงไหม Is here bed? ดิฉันต้องการโคมไฟ I need a lamp, p l e a s ดิฉันอยากอ่านหนังสือ I want a b o ที่นี่มีโคมไฟไหมดิฉันต้องการโทรศัพท์ดิฉันอยากโทรศัพท์ will ที่นี่มีโทรศัพท์ไหม ดิฉันต้องการกล้องถ่ายรูป Ek h e อตกลามาร์นูเอร์ดิฉันอยากถ่ายรูป Ek wil ลอะฟูตูเ e m ที่นี่มีกล้องถ่ายรูปไหม Is h ี e r แอกลามาร์ดิฉันต้องการคอมพิวเตอร์ e อคเฮ e e รียกน n ร์นู ดิฉ ja e ันอยากส่งอ e ีเมลที ja ่นี่มีคอมพิวเตอร์ไหมแอซี่ดิฉันต้องการปากกาลูกลื่นที่ดิฉันอยากเขียนอะไรหน่อย ที่นี่มีกระดาษและปากกาไหม